สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบ ก, กันกับรายการสรสนีสนทนาดิฉันสันนินฐาคพงษ์ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุเอฟเอครอบครัวข่าวและวิทยุพรพุทธศาสนาแห่งชาติเจริมพระเกียรติอีกร้อสถานีนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็มาถึงเรื่องยาอีกเช่นเดียวกันคือต้องมาบอกกล่าวเรื่องสุขภาพกันอยู่เป็นประจำเพราะดิฉันเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยความป่วยไข้มันเป็นความทุกข์นะคะ อโรคยาปรมาลาพาเป็นพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ดิฉันเข้าใจว่าคนไทยรู้จักกันเยอะคือความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐการใช้ยาโดยขาดความเข้าใจก็จะทําให้เราเจ็บป่วยได้เหมือนกันและที่เห็นว่าจําเป็นต้องมาพูดเพราะมันเป็นญาพื้นๆคือยาแก้ ป, ปวดที่เราเรียกกันว่าพาราเซ ต, ตามอนเนี่ยไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ daily news นะคะมีคุณหมอก็มาบอกบอกว่า ถ้าเรากินเข้าไปตับอาจพังได้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแค่เม็ดละามร้มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็เห็นบอกว่าเลข325า<อ>มันน้อยกว่า500ก็เลยพอใจที่จะกินยาขนาด5 0 0มิลลิกรัมมากกว่าแล้วก็บางทีโอกินเป็นเม็ดที่1่ไม่หายปวดหรือว่าบางทีปวดมากก็เลยคิดว่าจัดยาเองนะคะพันมิลลิกรัมเลยคราวเดียว2เม็ด อย่างเี้ยท่านว่าอันตรายแล้วก็มีรายละเอียดอีกนะคะว่าถ้าผู้ใหญ่500มิลลิกรัมต่อเม็ดทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าปลอดภัยหรือว่าถ้า2เม็ด500มิลลิกรัมเนี่ยนะคะเท่ากับว่าท่านได้ยาในคราวเดียว 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็จะต้องเว้นระยะห่างให้เป็นทุก6ชั่วโมงแล้วก็ไม่ควรเกินวันละ8เม็ดต่อวัน เหตุผลเพราะมันเป็นอันตรายต่อตับที่ต้องเว้นระยะให้เพียงพอเพราะในช่วงเว้นระยะนั้นร่างกายจะได้ขับยาส่วนเกินออกมาไม่ให้ทิ้งค้างเป็นอันตรายและถ้าใช้ติดต่อกัน5วันอาการทั้งหลายยังไม่ดีขึ้นต้องหยุดยาแล้วไปหาหมอนะคะอันนี้ก็รับทราบกัน เอาไว้สุขภาพจะได้ไม่เสียหายแล้วเขาก็บอกว่าพาราเซทเนี่ยอย่ารับประทานพร้อมๆกับการดื่มเครื่องดืง่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นะยิงแย่เข้าไปใหญ่หรือว่าถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มเหล้ามากเขาบอกว่าความสามารถของตับในการทำงานเนี่ยมันต่ำดังนั้นพาราเซ ต, ตามอนก็มีโอกาสที่จะไปกวนตับของคุณเนี่ยได้ง่ายสรุปก็คือว่าต้องเคร่งครัด วิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นยาพื้นๆใช้กันทั่วไปเราบริโภคได้ตามใจชอบดิฉันเคยเห็นนะคะผู้ป่วยใกล้ตัวท่านเป็นผู้ใหญ่ละรับประทานยาชนิดหนึ่งสบายพอหมดยานั้นก็เลยไปซื้อรับประทานเองมีอาการน่ากลัวมากนะคะเข้าโรงพยาบาลไปเนี่ย อธิบายลำบากเลยรู้แต่ว่าน่ากลัวน่าตกใจก็ทำให้เนี่ยคะ่ะต้องมาบอกกล่าวกันว่าอย่าปล่อยให้ไอความรู้เท่าไม่ถึงการของเราคิดง่ายๆแล้วทำให้ตัวเราเองอาจค่ได้ป่วยมากไปกว่าที่มันจะเป็นนะคะและสำหรับในส่วนของรายการของเรายังไม่เปลี่ยนเป็นรายการหมอยาคะ่ะยังเป็นรายการที่เอาธรรมะมา ช่วยทำให้เราดำรงชีวิตได้อยู่อย่างเป็นปกติสุขแล้วก็มีโอกาสพ้นจากสิ่งที่ไม่มีใครชอบเลยก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์วันนี้จะเป็นวันที่เราได้พบกับพระอาจารย์จากวัดนาปาพงที่แน่วแน่ในแนวทางถ่ายทอดคำสอนจากพุทธโอษของพระพุทธองค์ธรรมวินัยจากพระโอษนะคะก็คือพระมารคชาคาวโรเดี๋ยวไปพบท่านค่ะ